สังยุตตนิกายสลาญาตนาวรกว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุยังมีสิทธิ์อยู่ร่วมด้วยยังมีอาจารย์คอยสอดส่องย่อมอยู่เป็นทุกข์ไม่ผาสุขสบายภิกษุมีสิทธิ์อยู่ร่วมด้วยมีอาจารย์คอยสอดส่องย่อมอยู่เป็นทุกข์ไม่ผาสุขสบายเป็นอย่างไรกล่าวคือพอจักสุขเห็นรูปพอโสดสดับเสียงพอจมูกดมกลิ่นพอลิ้นลิ้มรส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 สประการคืออะไรได้แก är, โ่โลภะโทสะโมหะโลภะโทสะโมหะเกิดขึ้นข้างในตนเองย่อมบัณรอนคนใจบาปเหมือนขุยไผ่บัณรอนต้นไผ่ฉะนั้นดูกระมหาบพิษทำสามประการเมื่อเกิดขึ้นแก่โลกย่อมเกิดขึ้นเพื่อไม่ใช่ประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความทุกข์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 ผู้ถูกอากุสรลธรรมชั่วร้ายที่เกิดจากโลภะโทสะโมหะครอบงำแล้วมีจิตถูกบ่อนแล้วในปัจจุบันนี้เองก็อยู่เป็นทุกข์มีความขคา่งเครียดครับแค้นเร่าร้อนเพราะกายแตกตายไปก็เป็นอันหวังทุกติได้เปรียบเหมือนต้นสาละต้นตะแบกหรือต้นสครอกก็ตามถูกเถาย่านทายสามเถาขึ้นคลุมยอด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 อังกุตระนิกายติกนิบาตมีพุทธพจน์ว่าภิกษุทั้งหลายต้นเหตุเพื่อความก่อกาเนิดแห่งกรรมทั้งหลายมีสามอย่างดังนี้สามอย่างคืออะไรได้แก่โลภะโทสะโมหะกรรมใดกระทาด้วยโลภะโทสะโมหะเกิดจากโลภะโทสะโมหะมีโลภะ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 กรรมนั้นย่อมเป็นไปเพื่อความดับกรรมคือเป็นกรรมนิโรธไม่เป็นไปเพื่อเกิดกรรมต่อไปคือไม่เป็นกรรมสมุทยัยในเกษปุทธสูตรอังคุตรนิกายติกณนิบาทพระพุทธเจ้าเสด็จไปยังเกษปุตนิคมได้ตรัสกับพวกชนกาลามโคดว่าดูกระกาลามชนทั้งหลายเมื่อใดท่านทั้งหลายพึงรู้ด้วยตนเองว่า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 เป็นไปเพื่อเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายก็ดีที่อากุศลธรรมทั้งหลายจะเจริญยิ่งแก่เขากุศลธรรมทั้งหลายจะเสื่อมถอยไปมหาบา่ิดความประพฤติทางกายทางวาจาทางใจอย่างนี้แหลที่สมณะพราหมณทั้งหลายผู้เป็นมินยูจะพึงกล่าวโทษได้ต่อจากนั้ น, นท่านได้ทูลตอบคําถามในฝ่ายกุศลโดยทํานองเดียวกันลงท้ายสรุปว่า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 ตายก็ไม่หลงฟั่นเฟือนเมื่อกายแตกทําลายภายหลังมรณะย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ภิกษุทั้งหลายจงละอกุศลเสียเถิดอกุศลเป็นสิ่งที่อาจละได้หากอากุศลเป็นสิ่งที่ไม่อาจละได้แล้วใส่เราคงไม่กล่าวอย่างนั้นแต่เพราะอากุศลเป็นสิ่งที่อาจละได้เราจึงกล่าวอย่างนั้นอันหนึ่ง หากอกุศลนี้คนละเสร็จแล้วจะพึงเป็นไปเพื่อไม่ใช่ประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความทุกข์แล้วใสเราคงไม่กล่าวว่าภิกษุทั้งหลายจงละอกุศลเสียเถิดแต่เพราะอกุศลนี้คนละได้แล้วย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขฉะนั้นเราจึงกล่าวว่าภิกษุทั้งหลายจงละอกุศลเสียเถิดภิกษุทั้งหลาย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 มิใช่ด้วยวาจาก็มีทมที่พึงละด้วยวาจ า, ม, ามิใช่ด้วยกายก็มีทมที่พึงละมิใช่ด้วยกายมิใช่ด้วยวาจาต้องเห็นชัดด้วยปัญญาจึงละได้ก็มีทมที่พึงละด้วยกายมิใช่ด้วยวาจาเป็นไนคือภิกษุในธรรมวิเนนีเป็นผู้ถึงความละเมิดอันเป็นอกุศลบางส่วนด้วยกาย เพื่อนพรหมจารีผู้เป็นวินยูไคร่ครวนแล้วกล่าวกับเธออย่างนี้ว่าท่านผู้มีอายุถึงความละเมิดอันเป็นอกโกศลบางส่วนด้วยกายจะเป็นการดีแท้ที่ท่านผู้มีอายุได้โปรดละกายทุจริตจงบำเพ็ญกายสุจริตเธอะเธอถูกเพื่อนพรหมจารีผู้เป็นวินยูไคร้ครวนแล้วว่ากล่าวอยู่จึงละกายทุจริตบำเพ็ญกายสุจริตนี้เรียกว่า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 จะเป็นการดีแท้ที่ท่านผู้มีอายุได้โปรดละวจีทุจริตจงบำเพ็ญว จ, จีสุจริตเถิดเธอถูกเพื่อนพรหมจารีผู้เป็นวินยูไครกลวนแล้วว่ากล่าวอยู่จึงละวจีทุจริตบำเพ็ญว จ, จีสุจริตนี้เรียกว่าทำที่พึงละด้วยวาจามิใช่ด้วยกายทำที่พึงละมิใช่ด้วยกายมิใช่ด้วยวาจาต้องเห็นชัดด้วยปัญญาจึงละได้